สปัจจน니ยุทธทาน527สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามานปัจจัยธาชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามานปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามานปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิเตยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตโดยสหชาตปัจจัย5้ายยี สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามานปัจจัยทหชาตปัจจัยและอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามานปัจจัยและอุปนิสตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามานปัจจัยสหชาตปัจจัย อุปนิสตยปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤตโดยสหชาตปัจจัยห้ายยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยอารามานปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอา อารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารามานปัจจัยอุปนิเตยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารามานะปัจจัยอุปนิเตยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย530 สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลมีสองอย่างคือสาชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตมีสอย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหารและอินทรียะห้าสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตมีสอย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะปัจจนียุทธทานแห่งปัญหาวานจบ 2. ปัจจัยปัจจณียะ สสังขยาวานสุทธนัยสามสสองนเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระนารามณปัจจัยมีสิบห้าวาระนอธิปติปัจจัยมีสิบห้าวาระนันทารปัจจัยมีสิบห้าวาระนสมันตรปัจจัยมีสิบห้าวาระนสหชาตปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระนัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระ นันติยปัจจัยมีวาระอุปสิยปััจจบเอ็ดวาระนปุเรชาตปัจจัยมี13วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี15้าวาระนอาเสวนปัจจัยมีสิบวาระนกรรมปัจจัยมี15วาระนวิปากปัจจัยมี15วาระนอาหารปัจจัยมี15วาระนอินเรียปัจจัยมี15วาระ นัชานปัจจัยมี15วาระนมัคคัปปัจใจมี15วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตตาปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยมี15วาระโนวิกตปัจจัยมี15วาระโนอวิกตปัจจัยมี9วาระนเหตุทุกข์กัย นอารามณปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี15้าวาระนอนันตระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี15วาระนสมนันตรปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมี15้าวาระนาสหชาตปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบเอดวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบอดวาระ นานิตยปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสิบเอดวาระนอุปนิตยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระนปุเรชาตาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสิบสามวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับนาเหตุุปัจจัยมีสิบห้าวาระนาอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุทุปัจจัยมีสิบห้าวาระนากรรมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบห้าวาระ นวิปากับปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบห้าวาระนอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีสิบห้าวาระนอินทริยะปัจจัยกับนเหตุทุปัจจัยมีสิบห้าวาระนาชาณปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบห้าวาระนมักะปัจจัยกับนเหตุุปัจจัยมีสิบห้าวาระนสามปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบอดวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9้าวาระโนนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัจจัยมี9้าวาระโนนัตถิปัจจัยมี15วาระโนวิกตปัจจัยมี15้าวาระโนอวิกตปัจจัยมี9้าวาระติกนไนนาทิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี15วาระ นัสนันตระปจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนารามานะปจจัยมี15วาระนัสมนันตระปจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนารามานะปจจัยมี15วาระนัสสหชาตปัจจัยกับนาเหตุทุปจจัยและนารามานะปจจัยมีสิอดวาระนัอัญญมัญญาปจจัยกับนาเหตุทุปจจัยและนารามานะปจจัยมีสิอดวาระ นันติยปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารามณปัจจัยมีสิบเอดวาระนอุปนิตยปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารามณปัจจัยมีสิบสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารามณปัจจัยมีสิบสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยและนัอารามณปัจจัยมีสิบห้าวาระ นอาเสวะนปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยและนารามานปัจจัยมีสิบ้าวาระนกรรมมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามานปัจจัยมีสิบ้าวาระนวิปากปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยและนารามานปัจจัยมี15้าวาระนอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามานปัจจัยมีสิบห้าวาระนอินทรียปัจจัย กับนเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี15วาระนาชาณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี15วาระนมัคคะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี15วาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี11วาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนาอารามณปัจจัยมี9วาระโน อธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี15วาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี15วาระโนอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี9้าวาระละจักกนาอ นัทหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนัอารามณปัจจัยนัอธิปฏิปัจจัยนัอนันตรปัจจัยและนัสมนันตระปัจจัยมี11วาระนัอัญญมัญญปัจจัยกับละมี11วาระนันิสยปัจจัยกับละมี11วาระนัอุปนิสยปัจจัยกับละมี13วาระ นาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบสาวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสิบห้าวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีสิบ้าวาระ นาชานปัจจัยกับละมี15วาระนมัคคปัจจัยกับละมี15วาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมี11วาระนวิปยุตตะปัจัยกับละมี9วาระโนอธิปัจจัยกับละมี9วาระโนนติปัจจัยกับละมี15วาระโนวิขตปัจจัยกับละมี15วาระ นอวิคตปัจจัยกับละมี๙วาระสัตตกนัยนอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมี๑๑วาระณนิสัยปัจจัยกับละมี๑๑วาระณอุปนิสัยปัจจัยกับละมี๗วาระนปุเรชาตปัจจัยกับละ มีสิอดวาระนปัจฉาชาติปัจจัยกับละมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสิอดวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสิอดวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสิอดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสิอดวาระณอินทริยปัจจัยกับละมีสิอดวาระ นาชานปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนมะขะปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีสิบอดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมี9้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสิบอดวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมี9้าวาระอัทธกนัย นานิจตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตระปัจจัยนะสมานันตระปัจจัยนะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนาอุปนิจทยปัจจัยกับละมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาปจชาชาตปัจจัยกับละมีเกาวาระ นาเสวนปัจจัยกับละมี11ดวาระนากรรมปัจจัยกับละมี11วาระนาวิปากปัจจัยกับละมี11ดวาระนาอาหารปัจจัยกับละมี11วาระนาอินทรีย์ปัจจัยกับละมี11วาระนาชาณปัจจัยกับละมี11วาระนามัคคปัจจัยกับละมี11ดวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมี11ดวาระ นวิปยุตปฏิปัจกับละมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีก้าวาระนวกนัย ณอุปนิสัยปัจจัยกับณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมนันตรปัจจัยณสหชาตปัจจัยณอัญญามัญญปัจจัยและณนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระ นาอาเสวะนปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนากรรมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาอินทรียปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาฉานปัจจัยกับละมีสิบเอ็ดวาระนามัคคปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนเนติปัจจัยกับละมี๑๑วาระโนวิคตปัจจัยกับละมี๑๑วาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีก้าวาระทัศกนัยนาปุเรชาตปัจจัย กับในเหตุปัจจัยนะอารมณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตารปัจจัยนะสมาันตาระปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยนะนิจญาปัจจัยและนะอุปนิจญาปัจจัยมีห้าวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระนัอาเสวนปัจจัยกับละมีห้าวาระนักรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนัวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนัอาหารปัจจัยกับละมีหวาระนัอินทรียะปัจจัยกับละมีห้าวาระนับชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนัมัคคปัจจัยกับละมีห้าวาระ นัตสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสวาระนโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัติปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระเอกาทศกนัยนปัจฉาชาตปัจจัย กับในเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอานันตรปัจจัยณสมานันตรปัจจัยณตาหชาตปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยณนิตยะปัจจัยณอุปนิเตยปัจจัยและณปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระณอาเสวณปัจจัยกับละมีห้าวาระณกรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระณวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนอินตรียปัจจัยกับละมีห้าวาระนชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนมะขะปัจจัยกับละมีห้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสมวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนวิคตปัจจัยกับละมีหวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระทวาทัศกันในณอาเสวนปัจจัยกับในเหตุตุปปัจใจณอารามนปัจจใจณอธิปติปัจใจณอนันตรปัจจใจณสมนันตรปัจจัยละณปุเรชาตปัจจัยและณปัจฉาชาตปัจจัยมีสวาระณกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ นวิปลากับปัจจัยกับละมีสามวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระนอินทริยปัจจัยกับละมีสามวาระนาชาลปัจจัยกับละมีสามวาระนมรคปัจจัยกับละมีสามวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระ โนนัตถิปัจจัยกับละมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสามวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระละจุดเทศกันในนวิปากปัจจัยกับนาเหตุปปจใจนาอารามานาปจะใจละนาปัจฉาจาตาปปจใจนาอาเสวนปัจจัยและนากรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนอินตริยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัชาณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัมัคขปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละ สัตวรัตสกนัยนามัคคปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยนัอารามานปัจจัยละนักรรมปัจจัยนัวิปากปัจจัยนัอาหาระปัจจัยและนัชานปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัวิปยุตตะปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระละ เอกวีสกนัยโนวิคตปัจจัยกับนาเหตุปัจใจนะอารามนาปัจจัยละนาอาหารปัจจัยนะชานปัจจัยนะมัคคปัจัยนะสัมปยุตตปัจัยนะวิปยุตตปัจจัยและโนนัติปัจจัยมีหนึ่งวาระโสรัสกนัยในวุงเล็บสอินทริยะนาชานปัจจัยกับนาเหตุปัจใจนะอารามนาปัจจัยละนากรรม ปัจจัยนวิปปากับปัจจัยและนะอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัมกปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระภุณะเอกวีสกนัย โนวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจใจละนกรรมมปัจจัยนวิปากปัจจใจณอินทรียะปัจจัยนชาณปัจใจณมัคคปัจจใจณสัมปยุตตปัจจัยนวิปยุตตาปัจจัยและโนณทิปัจจัยมีหนึ่งวาระนเหตุมูลกกไนจบณอารมณทุกกนัย5ามสิบ นัเหตุปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมี15วาระนาทิปติปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมี15วาระนาอนันตรปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมี15้าวาระนาสมานันตรปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมี15วาระนาสหชาตปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีสิอดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนัอารามณปัจจัยมีสิบเอวาระ นนิตยปัจจัยกับนอารมานปัจจัยมีสิบเอดวาระนุปนิตยปัจจัยกับนอารมานปัจจัยมีสิบสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนอารมานปัจจัยมีสิบสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนอารมานปัจจัยมีสิบห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับนอารมานปัจจัยมีสิบห้าวาระนกรรมปัจจัยกับนอารมานาปาจัยมีสิบห้าวาระ นวิปากับปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมี15้าวาระณอาหารปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมีสิบ้าวาระนอินตรียปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมีสิบ้าวาระนชาณปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมี15้าวาระนมะขะปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมีสิบ้าวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับณอารมานปัจจัยมีสิบอดวาระ นาวิปปยุตตาปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยมี9้าวาระโนนัติปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยมี15วาระโนวิกตปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยมี15วาระโนอวิกตปัจจัยกับนาอารามณปัจจัยมี9้าวาระละสัตตกนัย นัอัญญมัญญปัจจัยกับนัอารามณปัปจัยนัเหตุตุปจใจนัอธิปติปัจใจนัอนันตรปัจใจนัสมานันตระปัจจัยและนัสหะชาตปัจจัยมี11วาระนันิสียปัจจัยกับละมี11วาระนัอุปนิสียปัจจัยกับละมีเจดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิอดวาระนัปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระ ณอาเสวณปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณกรรมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณอินทรียปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณชาณปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณมัคคปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอัติปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนาติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีก้าวาระละในมือเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนในะเหตุมูลกานาันในนารามณมูลกานใยจบ นาอธิปฏิปัจจัยเป็นต้น535หกับนาอธิปฏิปัจจัยนาะอนันตรปัจจัยและนาสมนันตระปัจจัยในวงเล็บพึงขยายพิจานเหมือนนาเหตุตัมูลกไนในนาะสหชาตะทุกกไนในหยสามนาเหตุตัวปัจใจกับนาสหชาตะปัจจัยมีสิอดวาระ นาอารามะนปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมีสิบเอวาระนาอธิปติปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมีสิอดวาระนาอนันตรปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมีสิอดวาระนาสมานันตรปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมีสิบเอวาระนาอัญญมัญญาปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมีสิอดวาระนาณิตยปัจจัยกับนสหะชาตปัจจัยมี11ดวาระ นอุปนิเตยปัิจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนปุเรชาตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนกรรมมปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระ นอาหารปัจจ nah ah nah nah ah, nah nah um ัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนอินเตอรียปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระน้าชาปปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนมัคคปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนสัมปยุตปรปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี11วาระนวิปยุตปรปัจจัยกับนสหชาตปัจจัยมี9วาระ โนอัติปัจจัยกับนัสหะชาตปัจจัยมี9้าวาระโนนัสติปัจจัยกับนัสหะชาตปัจจัยมี11วาระโนวิกตปัจจัยกับนัสหะชาตปัจจัยมี11วาระโนอวิกตปัจจัยกับนัสหะชาตปัจจัยมี9้าวาระละจตุกนัยนาธิปติปัจจัยกับนัสหะชาตปัจจัยในเหตุปัจจัยและนารามณปัจจัยมี11ดวาระ นาอนันตรปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาสมานันตรปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนานิติยปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาอุปนิติยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระ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 นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมี11วาระโนวิกตปัจจัยกับละมี11วาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีก้าวาระกับนาสหัชชาตปัจจัยและนเหตุปัจจัยในมึงเล็บย่อนาสหัชชาตมูลกนัยจบ ณอัญญามัญญะทุกขไนห้าร้ยสาสิบเจ็ดณเหตุปัจจัยกับณอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบเอดวาระณอารามานปัจจัยกับณอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบเอดวาระนาทิปติปัจจัยกับณอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบเอดวาระณอนันตระปัจจัยกับณอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบเอดวาระนณสมานันตรปัจจัยกับนณอัญญามัญญะปัจจัยมีสิบเอดวาระ นาสหาชาตาปัจจัยกับนาอัญญมัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนนิตยปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนอุปนิตยปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนาปูเรชาตปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนาเสวาปัจจัยกับนอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระ นักกรมปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนวิปากปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนัอาหารปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนัอินทรียปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนัฌานะปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีสิบเอดวาระนมกปัจจัยกับนัอัญญมัญญะปัจจัยมีสิบอดวาระ นัสสามปยุตตปัจจัยกับนัอัญญมัญญาปัจจัยมีสิบอดวาระนวิปปยุตตาปัจจัยกับนัอัญญมัญญาปัจจัยมีก้าวาระโนอัติปัจจัยกับนัอัญญมัญญาปัจจัยมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับนัอัญญมัญญาปัจจัยมีสิบเอดวาระโนวิกตปัจจัยกับนัอัญญมัญญาปัจจัยมีสิบเอดวาระโนอวิกตปัจจัยกับนัอัญญมัญญปัจจัยมีก้าวาระละ จตุกนายณอธิปติปัจจัยกับณอัญญมัญญปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสิบอดวาระณอนันตรปัจจัยกับละมีสิอดวาระณสมานันตรปัจจัยกับละมีสิบอดวาระณสหชาตปัจจัยกับละมีสิบอดวาระณนิสตยปัจจัยกับละมีสิบอดวาระณอุปนิสตยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นอินตริยปัจจัยกับละมีสิอดวาระนชานปัจจัยกับละมีสิอดวาระนมะขาปัจจัยกับละมีสิอดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมี11ดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนนติปัจจัยกับละมีสิอดวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีสิอดวาระ โนวิกตปัจจัยกับละมีก้าวาระละอัตนัยนนนิตยปัจจัยกับนะอัญญมัญญปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามนะปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยและนะสหชาตปัจจัยมีสิบเอดวาระนะอุปนิสยปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมี๑๑วาระนกรรมปัจจัยกับละมี๑๑วาระนวิปากปัจจัยกับละมี๑๑วาระนอาหารปัจจัยกับละมี๑๑วาระนอินตริยปัจจัยกับละมี๑๑วาระนาชานปัจจัยกับละมี๑๑วาระ นามัคปัจจ no ัยก no ับละมีส no ิบเอดวาระณสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีเก้าวาระโนอธิปัจจัยกับละมีก้าวาระโนนัติปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนวิขตปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระโนอวิขตปัจจัยกับละมีก้าวาระในวงเล็บย่อณอัญญมัญญามูลกนัย จบณนิส no ัยทุกข์กันใร้อยสามสิเหตุปัจจัยกับนนิสัยปัจจัยมีสิบเอดวาระณอารมณปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสิบเอดวาระณที่ปฏิปจัยกับกับณนิสัยปัจจัยมีสิเอดวาระณอนันตรปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสิบเอดวาระสมาันตรปัจจัยกับณนิสัยปัจจัยมีสิบเอดวาระ นาสหชาตปัจจัยกับนาอนิจสีกับนานิจสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับนานิจสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนาอุปนิจสยปัจจัยกับนานิจสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับนานิจสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนาปัจชาชาตปัจจัยกับนานิจสยปัจจัยมีเก้าวาระ นอาเสว่นปัจจ <athletes> ัยกับนาิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนกรรมปัจจัยกับนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยกับนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนอาหารปัจจัยกับนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนอินทรียปัจจัยกับนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระนาชาณปัจจัยกับนนิสยาปัจจัยมีสิบเอดวาระ นามัคคับัตจกับนันนิสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนสัมปยุตตาบัจใจกับนันนิสยปัจจัยมีสิบเอดวาระนวิปยุตตาบัจจัยกับนิสยปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัตใกับนนิสยาบัตมี9้าวาระโนนัติปัจจกับนันนิสยปัจจัยมีบดวาระโนวิกตปัจจกับนันนิสยปัจจัยมีบดวาระ นอวิคตปัจจัยกับนนิตยปัจจัยมี๙วาระละจตุกนไนณอธิปติปัจจัยกับนนิตยปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมี๑๑วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี๑๑วาระนสมาันตระปัจจัยกับละมี๑๑วาระนสหชาตปัจจัยกับละมี๑๑วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับละ มีสิบเอดวาระณอุปนิตตยปัจจัยกับละมีห้าวาระนาปุเรชาตาปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนปัจฉาชาตาปัจจัยกับละมีเก้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีสิบเอดวาระ นอินตริยปัจจัยกับละมี11ดวาระนชานปัจจัยกับละมีสิอดวาระนมะขคปัจจัยกับละมีสิอดวาระนสัมปยุตตะปัจัยกับละมีสิอดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมี9วาระนอัตติปัจจัยกับละมี9วาระนนณติปัจจัยกับละมี11วาระนาวิขตปัจจัยกับละมี11ดวาระ นอวิกตปัจจัยกับละมีก้าวาระละทัศกนัยนัปุเรชาตปัจจัยกับนนิตยปัจจัยนะเหตุปัจจัยนะอารามนาปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมาันตระปัจจัยนะสหชาตปัจจัยนะอัญญมัญญปัจจัยและนะอุปนิทตยปาจัยมีห้าวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยกับพระมีสามวาระนอสเสวนปัจจัยกับพระมีห้าวาระนกกรมปัจจัยกับพระมีห้าวาระนวิปากปัจจัยกับพระมีห้าวาระนอาหารปัจจัยกับพระมีห้าวาระนอินตรียปัจจัยกับพระมีห้าวาระนชาณปัจจัยกับพระมีห้าวาระนมะขาปัจจัยกับพระมีห้าวาระ นสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีหวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสวาระโนอัติปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัติปัจจัยกับละมีหวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระในมูลเล็บย่อนนิตย์ยมูลกนัยจบณอุปนิทยทุกนัย ห้าสสเกนเหตุปัจจัยกับนอุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระนอารามานปัจจัยกับนอุปนิสัยปัจจัยมีสิบสามวาระนาทิปติปัจจัยกับนอุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระนอนันตรปัจจัยกับนอุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระนสมาันตรปัจจัยกับนอุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระ นัสหชาตปัจจัยกับน้อุปนิสตยปัจจัยมีสิบเอดวาระนัอัญยมัญญปัจจัยกับน้อุปนิสตยปัจจัยมีสิบเอดวาระนนิสตยปัจจัยกับน้อุปนิสตยปัจจัยมีสิบเอดวาระนัปุเรชาตปัจจัยกับน้อุปนิสตยปัจจัยมีสิบสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับน้อุปนิสตยปัจจัยมีสิบห้าวาระ นาอาเสวะนปัจจัยกับนาอุปนิสตยปัจจัยมี15วาระนากรรมมปัจจัยกับนาอุปนิสตยปัจจัยมี15วาระนาวิปากปัจจัยกับนาอุปนิสตยปัจจัยมี15้าวาระนาอาหารปัจจัยกับนาอุปนิสติยปัจจัยมี15้าวาระนอินตริยปัจจัยกับนาอุปนิสตยปัจจัยมี15้าวาระนาชานาปัจจัยกับนาอุปนิสตยปัจจัยมี15วาระ นามัคปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระนัสัมปยุตตาปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมีสิบอดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมี9้าวาระโนอธิปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมี9้าวาระโนนัตติปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระโนวิคตปัจจัยกับน้อุปนิสัยปัจจัยมีสิบห้าวาระ นวิคตปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยมี๙วาระละจตุกนัยณอธิปติปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยณเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมี๑๓วาระณอนันตรปัจจัยกับละมี๑๓วาระนสมานันตรปัจจัยกับละมี๑๓วาระ นสหชาตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอัญญมัญญปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนนิตยปัจจัยกับละมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีเก้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนอาเสวณปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสิบสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีสิบสามวาระในอินทรียปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนาชาณปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนมะขาปัจจัยกับละมีสิบสามวาระนาสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีห้าวาระ โนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีสิบามวาระโนวิคตปัจจัยกับละมีสิบามวาระโนอวิคตปัจจัยกับละมีสองวาระละอัตนัยนณอัญญมัญญปัจจัยกับณอุปนิสัยปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัย นัสสะมณันตระปัจจัยและนสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนันติยปัจจัยกับละมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนชาณปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนมะขาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตาปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นวิกตปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระนวัตกไนนันติยปัจจัยกับณอุปนิตยปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจใจนัสมานันตระปัจจนัตาหชาตปัจจัยและณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระ นปุเรชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระ la, นปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ ah la, นกรรมปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระณอาหารปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระนอินทรียปัจจัยกับละมีเจ็ดวาระ นจชาณปัจจัยกับละมีเจดวาระนมัคคัปปะจัยกับละมีเจ็ดวาระนสัมปยุตตะปัจจัยกับละมีเจดวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับละมีสาวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนัตติปัจจัยกับละมีเจดวาระโนวิกตตปัจจัยกับละมีเจดวาระโนอวิกตตปัจจัยกับละมีสองวาระ ทัศกนัยนพุเรชาตปัจจัยกับณอุปนิตัยปัจจัยนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยนสมนันตรปัจจัยณท้าชตาปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและนนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีสามวาระ นาอาเสยวณัจจัยกับละมีห้าวาระนากรรมปัจจัยกับละมีห้าวาระนาวิปากปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอาหารปัจจัยกับละมีห้าวาระนาอินทริยปัจจัยกับละมีห้าวาระนาชาณปัจจัยกับละมีห้าวาระนามะขาปัจจัยกับละมีห้าวาระนาสัมปยุตตปัจจัยกับละมีห้าวาระ นาวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระโนอธิปัจจัยกับละมีสองวาระโนนาติปัจจัยกับละมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีห้าวาระโนอวิกตปัจจัยกับละมีสองวาระมุงเล็บยอ่อณอุปนิเตยมูลกานายัยจบ